เรามีความเห็นเป็นชนิดศรัทธาอะไรศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเลยศรัทธาต่อครูบาอาจารย์เลยศรัทธาต่อวัดนั่นวัดนี้ยังอยู่เปลือกยังเป็นเปลือกศรัทธาจริงๆต้องเชื่อแล้วทําลงไปทําลงไปเราเชื่อการกระทา ทำให้มันเห็นเห็นอย่างไรในชีวิตเหล่านี้มีอะไรมีความไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ย ง, ยงเห็นด้วยไหมเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขานก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปนี่ก็ไม่ใช่ตัวตน เวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็มาใช่ตัวตนสังขารก็มาใช่ตัวตนวิญญาณก็มาใช่ตัวตนที่เราใช้อยู่นี่เราไม่สุขไม้ทุกข์เราไม่ตัวไม่ตนแล้วก็เลยมีปัญหามีตนอยู่ในตนมีตนอยู่ในความไม่เที่ยงมีตนอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนอันนี้ เราจะทำอย่างไรมีศรัทธาตรงนี้หรือไม่เชื่อตรงนี้หรือไม่ถ้าเราหมดแต่ศรัทธาอื่นไม่ทำความเห็นให้แจ่มแจ้งเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เมื่อไม่ไม่ใช่ตัวตนนี้ยราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรทำไมจึงมีความพอใจไม่พอใจทำไมจึงมีความโกรธควมโลภควมหลงอยู่ในขวางไม่เที่ยงอยู่ในควางไม่ใช่ตัวตวน ทำไมทะเลาะวิวาดการทำไมไปเบียดเบียนกันน่าจะไปถึงตนนั่นเห็นวันไม่เที่ยงเห็นมัไม่ใช่ตัวตนจึงใช่ความไม่เที่ยงใช่ความไม่ใช่ตัวตนเพื่อให้ทําความดีเพื่อให้เกิดเมื่อเกิดผลขึ้นมาจนไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในความไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในความไม่ใช่ตัวตน เดี๋ยวนี้เรามีความมีตัวตนอยู่ในความไม่เที่ยงในความไม่เช่ตัวตนก่อนไม่ศรัทธาตรงนี้ไม่ได้ทําให้แฉมแฉ่งถ้าทําตรงนี้ให้แฉมแฉ่งน่าจะไปกันไม่ยากอาศัยความไม่เที่ยงเป็นพระนิพทานได้เลย อาศัยความไม่ใช่ตัวตนเป็นพระเนปพานได้เลยหายตัวได้เลยเหลือศูนย์ได้เลยจนไม่เป็นอลัยไม่เป็นอะไรกับความไม่เที่ยงไม่เป็นอะไรกับความไม่ใช่ตัวตนมีอะไรต่อไปมีเมตตากรุณาเมื่อเห็นมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ มีเมตตากรุณาโุทิตาอุเปกขาเฉี่ยวข้องกับทุกอย่างในโลกไม่มีความขัดข้องได้ทุกอย่างในคนที่มันหลงในความเที่ยงเป็นทุกข์เราก็ยังไม่ขาดแขนความเมตตากรุณาต่คนตทุกสรรพสิ่ง จึงไมธทรมีความดีไปเกี่ยวข้องกับความไม่เที่ยงซะมีความดีสักสี่อย่างไปเกี่ยวข้องกับความไม่ใช่ตัวตนจะได้เกิดประโยชน์จริงๆนะในโลกเนี่ยเม็ดหินเม็ดชาก็จะตื่นเต้นต้นมากลากไม้ก็จะตื่นเต้นกับผู้ที่เห็น จริงนะอย่างนี้ขึ้นมาศึกษาราสิ่งก็จะสู่ธรรมาชาติทั้งหมดยิ่งใหญ่นะถ้าเราเห็นแจ้งเรื่องนี้เราเต็มไปด้วยเมตตาก็าอยากจะเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในโลกเนี่ยนี่คนเราแท้ๆเนี่ยชีวิตก็อยู่ด้วยกันแท้ๆผู้หัวผัวเมียพ่อแม่มลูกเต้าเพื่อนบ้านทำไมจึงไป ทำให้การเดิดร้อนน่าจะสงสารความไม่เที่ยงของเขาน่าสงสารกวาเป็นทุกข์สงสารก็ต้องช่วยเหลือน่าที่จริงๆอ่ะช่วยเหลือแล้วก็ไม่หวังอะไรตอบแทนด้วยความเสียสละเมื่อช่วยไม่ได้ก็ว่างต้องช่วยเช่ก่อนทำเช่นก่อน อะไรที่พอจะให้เขาไม่หลงในความไม่เที่ยงให้เขาไม่หลงในความเป็นทุกข์ทำลงไปจนสุดความสามารถแล้วก็เมื่อไปได้เราค่อยวางวางก็ไม่ใช่วางด้วยบสักกวางจากจิงเหล่านั้นวางใจทำกาย ทำรมพูดทำใจไปด้วยตัว น, นี้สุดกวางใจแต่ยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งการกระทำยังไม่ทอดริงงยังทำอยู่แต่ใจวางแล้ววางตัวไหนละ่ะวางลูกวางนามเจ่ก่อนได้แล้วก็วางอื่นได้ง่าย รูปนี่ไม่ไม่เทียงเวทนาไม่เป็นเที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนวางหมดแล้วเมื่อวางแล้วก็งานการงานเหมาะที่จะเกิดขึ้นแล้วบเยอะแยะไปเลยพร้มที่จะทำมาเอื่นพร้อมที่ชอบมาเลืน่นคิดจะช่วยคนอื่นเจนพระเจ้าของเรานะี่ยคุนขวย มากทีเดียวเราทำทุกอย่างแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลไม่มีตรงไหนที่ปิดบังอำพรางเหลือแต่พวกเธอเท่านั้นเองที่จะต้องทำเราบอกแล้วบอกแล้ว แต่ว่าการกระทำเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายเราได้ทําหน้าที่หมดแล้วเวลาใดเราหลงแสดงว่าไม่ได้ทําตามที่เจ้าบอกเวลาใดเราโกรธไม่ได้ทําตามเวลาใดเราทุกข์เราไม่ได้ทําตามแต่ลูกว่าโกรธมันไม่ดียังโกรธคนอยู่ ไม่ได้ทำตามทุกมันไม่ดียังมีทุกอยู่ไม่ได้ทําตามเบียดเปลี่ยนตนเองเบียดเบียนคนอื่นที่ทําให้ตนเองเป็นทุกขทำให้คนอื่นเป็นทุกขเราไม่ได้ทําตามแต่เมื่อก็ไม่ยากกางไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนตนเองการไม่เบียดเบียนคนอื่นมันยากกว่าการเบียดเบียน ไม่ยากน่าจะวางลงง่ายๆเอาใส่ข้อมืเที่ยงเป็นที่ทิ้งตัวตนเอาใส่อมือไม่ใช่ตัวตนเป็นที่ทิ้งตัวตนลงไปจริงที่มันเบียดเบนะียนน่ะน้ำยอกอาน้ำบน่นเนื้อมันในมันมันมาให้คุณให้ประโยชน์ มันมีโทษมันให้คุณด้วยในตัวเราก็เช่นกันในคนอื่นก็เช่นเดียวกันในตัวเราก็มีความไปเที่ยงในคนอื่นก็มีความไปเที่ยงในตัวเราก็มีความไม่เช่อตัวตนในคนอื่นก็มีความไม่เช่อตัวตนเลยได้เกณฑ์ชีวัดบอกความเท็จความจริงพื้นไม่ได้ ฝืนโกดก็ไ่ได้ฝืนทุกข์ก็ไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่นจนเอาตัว ต, วตนไปวัดไปเวียนกับคนอื่นมีตัวมีตนขัดขวงกันขวงนั่นขวงนี่ไปแม้แต่ความเห็นทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองในความเห็นที่มีเหตุผลมันก็มันไม่ใช่สัจธรรมทะเลาะกันโดยไม่ใช่สัจธรรม คาเห็นยังมีความเห็นเฉยๆยังไม่มีวัตถุอะไรเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันแล้วถ้าเห็นไม่ตรงกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนันเป็นความเห็นเฉยๆแต่ว่าเมตตาคนหน้ามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเห็นที่แตกต่างกัน ยังเป็นเมตตายังมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่ไม่ได้เลือกที่เลือกทางทำเนี่ยความดีที่เราจะเกี่ยวข้องอันความดีสี่ลักษณะเนี่ยไม่เหอนแห้งเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในโลกจึงน่าจะราบเรียบ เนื่องจากหากรุณาที่คุณไม่มีขอบเขตคนชั่วก็ขวงกัน้นคุณธรรมเหล่านี้ที่เราต้องใช้กับคนชั่วไม่ได้คนดีก็ขวงกั้นที่เราจะจะมาห้ามให้เราทาความดีกับคนชั่วก็ไม่ได้อะไรที่มันเป็นไม่ดีไม่ได้เลือกทำมีแต่ทำเท่านั้นที่จะไปเกี่ยวข้อง กับสิ่งต่างๆน้อยทั้งหมดความดีคนที่เป็นคนดีก็ยังมีเมตตาคนหนาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีเมตตาคนนาจะทำสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาสิ่งที่มันดีแล้วก็จะให้มันดีต่อไปความดีอย่างนี้ไม่สิ้นเปลือง เราคืออะไรเราไม่เป็นอะไรเกี่ยวกับเราเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วยิงน่าจะทำอะไรที่มันเป็นความถูกความต้องได้ทุกอย่างเพราะเราไม่เป็นอะไรไม่ใช่ว่าอัตตาตัวตนตัวนี้เป็นมิตรของเราคนนั้นเป็นศัตรูของเราภาวะเช่นนี้ไม่มีในชีวิตเรามีแต่เราไม่เป็นอะไรกับอะไร คนนี่เป็นคนดีเราก็ไม่ได้ดีกับเขาคนนี้เป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ได้ไม่ดีกับเขาเขามีทุกเราก็ไม่ทุกกับเขาเขาม่สุขเราก็ไม่สุขกับเขาเราไม่เป็นอะไรกับตัวเราอยู่แล้วเลยจะต้องเป็นอะไรกับคนอื่นชิงอื่นวัตถุอื่นเหรเราอย่าเป็นลักษณะอย่างไรการไม่เป็นอะไรกับอะไรนี้ มันยิ่งใหญ่เหลือเกินในชีวิตของเราที่อาศัยข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมองสอนยิ่งใหญ่นะอยู่เหนือโลกเลยก็ว่าได้นะภาษาอะไรความเกิดความแก่ความเปียกความตายชค่จะว่าแล้วนะภาษาอะไรความหลงความโกรธความรูป ค, ความทุกข์ ามพอใจผมไม่พอใจเหมันเป็นสิ่งที่ม่ายน่าเสียเวลาสิ่งเหล่านี้วิธีที่เราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือกรรมฐานเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกจะเป็นอาจารย์ครูอาจารย์ที่ไหนข้อตาม แล้วไม่มีกรรมฐานทำไม่สำเร็จกรรมฐานคืออะไรมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจาความหลงนี่คือกรรมฐานศักดิ์สิทธิ์มากน้าหลงเป็นหลงแม้จะเป็นเหเอเดินฟ้าบีดบ้าแช่ไหมเขียนห่อยฮะเราก็เรายังไม่ไม่เอาตอนนั้น อาจารย์ใหญ่มีลูกิสย์เป็นพันๆเป็นวิปัชนาอาจารย์ใหญ่ในประเทศไทยฮะลูกเสือเหินตกเหินเห็นกิ่งไม้มันหักลงมาพูดขึ้นขณนะทำสมาธิผมเห็นตัวอร่อยเขียว นอั่งอยู่บนกิ่งหม้กิ่งไม่เลยหักมาวิปัสนาจารย์ใหญ่เออนั่นพระอิ น, อนตัวเขียวๆ เ, เป็นพระอินถ้าตัวแดงเป็นเทวดาท่านที่พระอินมาสเสริญพวกเราพวกเรากำลังทำสมาธิโอ้พระอินเป็นตัวเขียวๆเอถูกจะเป็น อาจารย์ใหญ่ขนาดไหนยังมีความเหม็นแบบนั้นแต่เราก็เชื่ออู้อจย์รูปจากพระอินทร์พระพรมรูปจากเทวดาแต่พะระเพราดามาเฝ้ามาตกแต่งหลังกลงๆคือหลวงพ่อใหญ่คนนี้ไหลเอียง ว่าปฏิบัติทาไปเทวดามาแต่งให้หมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้หลังไม่กลมไหลก็เสมอกันแล้วผมพิสูจน์ดได้พิสูจน์อย่างไรผมโอเช่นได้หูกใส่คอเสาเขียนลงมาผมก็เดินจงกลมเดินกิดไปเอาไหล่นี้ถูกเส้นได้ เดินกันมาไหลนี่ก็ถูกเช่นได้เหมือนกันแสดงว่ามาันเสมอกันแล้วเทวดามาแต่งให้เห็นความเห็นแต่เราดูก็ก็ยมงเอียงอยู่เหมือนเดิมกุปทานเกิดขึ้นสามพันปั้นหมายยุลานี่กีวนผมผมมเป็นโลกบัวหมดเลยผมทิ้งไปก็ตาม เป็นดอกบัวหมดเลยผมเดินไปตรงไหนดอกบัวหลองรรบตกเก้าแล้วก็ยังเห็นชีวัเหมือนชีวัไม่เห็นดอกบัวที่ไหนที่มันเป็นจริงอย่างไรเอาอะไรมาคู่ที่เป็นนอกไปจากความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเอารูปเนี่ยเอานิมิตอะไรเป็นเรื่องผิดเรื่องถูก บ่งชื่อลงไปเลยบุญธรรมที่ทำให้เราเป็นพระอินไม่มีเลยยิ่งใหญ่ไม่มีเลยชีวิตเราเนี่ยมันหลงเราใหญ่ขวาความหลงไม่ได้เลยอินอย่างนี้น่ะความหลงทำแล้วไม่ได้อ๋อยไหมความหลงความโกรธมีเทวดาไม่ได้หรืออ๋อใสยพระอินอาอใย่เทวดาที่เป็นอยู่ข้างนอกมานั่งอยู่จริงไม้หน่ย เหตุเวลาในหัวใจเราไม่มีเลยไว้อินในหัวใจเราไม่มีเลยในชีวิตเราเนี่ยเราไม่เป็นอะไรเนี่ยใหญ่ๆไหมเนี่ยเราจะรักษาเราได้ไหมถ้าอันเทวดาไว้อินในตัวชัวเขียวอยู่บนจริงไหมเทวดาตัวแดงๆมาเสกมาปรุงมาแต่งเน่จนหลงงล้อหรือได้ประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ แล้วอ่อยความชั่วไม่กล้าพูดความชั่วไม่กล้าคิดในความชั่วไม่กล้าทำความชั่วเป็นเทวดาแบบนี้ไม่ได้เลยคุณนั้นทำเนาะเทวธรรมจะเป็นพระอินทร์พระพรมอะไรก็เป็นเทวธรรมพระพรมสีหน้าจะทําไงจะนอนทางไหนเชียน้อยนอนทางไหนก็จะทับจะหมูกหายเฉยไม่ได้ถ้ามีสีหน้าจริงเนหะ ทับจมูกหายใจไม่ได้ทับปากหายใจไม่ได้สีนะ่น้ะคือเมตตากรุณามุทิตาเปขามีในหัวใจเราเนี่ยเราผมอย่างนี้จะช่วยกันได้ไมน่มีธรรมทั้งหมดเป็นธรรมมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในชีวิตของเราที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ย เมตตาคุณังมุทิตาเปขาเกิดขึ้นบนที่รูปที่นามนี่อกายที่ใจของมนุษย์เนี่ยจะมีแด่ทรรมทั้งที่ข้าจูนโลกแต่ว่าอุเบกขาในฌานกับอุเบกขาในปมิหานเนี่ยต่างกันนะอุเบกขาในฌาน คือไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะได้ทำทุกอย่างแล้วจึงสามารถไม่เป็นอะไรกับอะไรในชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องคนอื่นนะอุเบกขาในฌานเป็นส่วนตัวนะอุเบกขาในพุมิหารต้องเป็นส่วนรวมเป็นเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายท่นมากรางไม้ช า, ชาลาชิง ขาดแลนไม่ได้ถ้าขาดเม่ตากุณาวิตาเปกขามหาสมุทรก็จะเหือดแห้งแผ่นดินก็เกิดไฟมาอะไรากันขาดไม่ได้เม่ตากุณา ม, มุเทิตาเปกขาแต่อุเปกขาในฌานเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่เป็นอาลัย เงนเห็นไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับรูปกับดังเป็นส่วนตัวเท่านี้อุวเบกขาในชานจึงมีเลอะกองไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีอุเบกขามีสติแล้วเรอยู่โอ้กอดจอ เป็นอย่างนี้มันผ่านอะไรมาผ่านจากอะไรที่มันมาถึงตัวเองมันก็มีทางผ่านผ่านหลงเป็นลูกผ่านโกรธเป็นลูกผ่านทุกข์เป็นลูกผ่านอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ตัวลูนผ่านมาตลอดจนเป็นแสงมันวัยเกินไปเหมือนกับตู้กูกาบาด หล่นลงมาจากอาวกาศเสียดสีกับโลกจนมันแสงรว่าดาวหยาดดาวตกมันไวจนมันแสงะว่าแสงเนี่ยมันไวกว่าเสียงสติมันไวๆก็ เ, ไวไว เ, รเราฝึกนะไม่เชื่อเชื่ความหลงความไม่ถึงความโกรธความไม่ถึงความทุกข์ความไม่ถึงไอ้สติที่มันเห็น เห็นนี่ไม่ได้อกแรงถ้าเป็นนี่หมดแรงจนนะนะหลวต่อพูดเมวาน ต, อ น, ตอนเช้าตอนเพ็นเป็นนี่อภาภัพปรับจนแต่เป็นทรัพย์ภายในไม่ร่ลำรวยสักทีแหะใช่เป็นเป็นชุกจนทรัพย์ภายในเป็นทุกข์เป็น ท, ทรัพย์ภายในเป็นผิด เป็นถูกเป็นได้เป็นเสียทียว่าไม่มีทรัพย์ภายในเป็นผู้ดีใจเป็นผู้เสียใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้ไม่ชอบเป็นความจนในทรัพย์ภายในเรียกว่าอริยทรัพย์จนนะไม่ลาบวยสักทีหรกได้เห็นนี่เออเจ็บกแล้วเห็นมันหล ง, ลงเห็นหลงไม่จน ไม่เป็นผู้หลงพู้เจ้ากรมหลงทรัพย์ภายในมีได้แบบนี้เราใช่ทรัพย์ภายในกันอย่างไรเหมือนทรับภายนอกสูุลิสุดไลเป็นอะไรมัสูุลิสุดไลนั่นนะแะตัเห็นนี่มันมันประหยัดซับภายใน ถ้าเป็นละมันชื้นรู้ช้ลอยแต่ซัพภายนอกไม่ก็ชื้ลอยแล้วอะไรก็ซื้ออะไรก็เอาหมดบุหรี่ก็ซื้อมาสูบเหล้าก็ซื้อมากินเที่ยวเตะเล่นกลางคืนเป็นเห็นกางเวนเป็นนกเข้าอะไรวะเออเทิร์ที่ไหนไปที่นั่นดีสี่ที่ป่าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นล้องที่ไหนไปที่นั่นเล่นที่ไหนไปที่นั่น ในวัดสลุยสุรอดคืนไม่ได้รับได้นอนชิ้นเปลืองอ่นไม่มีโอกาสร่ำรวยกินผมผมผ ม, บมบจบหกกินเท่าไหร่ก็ผอมลงเท่านั้นม่นคือชอบไปนูน no. ่มันก็ไม่ร่ำรวยสักทีหรอก้อยลับ ไม่มากแต่ลายเหลือไม่มีหลงตาล่องเพลงสายมาหนึ่งคนที่นี่เขามีงานวิกทำงานสวนป่าไม่เคยมีงานวิควิกหนึ่งเงินเดือนอกกี่หนึ่งก็เลยชุลชุลอยคนที่ไม่เคยผูกในกาผูกในกาคนที่ไม่เคยตั้งกินเหล้าก็ตั้งกินเหล้าแปลงตัว ก็เลยสมัยนั้ก็สอนเด็กทักเรียนร้องเพลงมายรับไม่ดีเท่าไรเหลือกินน่อยเงินหมดเชนเชื่อสิ้นอีกไปเหลืออะไรเหรอนายรับไม่ดีเท่าไรเหลือกินบ่อยเงินหมดเชนเชื่อสิ้นวิกไม่เหลื อ, นล อ, นลอจนเชือยามเขีนใช้ จ, ใ จ, จ่ายนยามจาเป็นนั่นคือหลายเหลือ จำเป็นมันคือรายเหลืออันรายรับมันมีประโยชน์ทรดอกถ้าไม่มีรายเหลือหลายเหลือมันจริงจะเป็นประโยชน์ชลุลยชุลอยไม่เจริญจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจนนะทัพย์ภายในหรอทรัพภายนก็เมือนเหมือนกันะเป็นสุขจนแล้วเป็นทุกข์จนแล้วเป็น กูพอใจกูไม่พอใจกูชอบกูไม่ชอบมาลชนลน ะ, ะไม่ร่ำรวยสักทีหรอกปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้ า, าหน้าเลเจ้าบอกลงนงอยู่แล้วเห็นทุ ก, ทกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากทุ ก, ทกอะไรก็ตามอย่าเป็นเห็นมัน เป็นไปกับมันพ้นจากพันี่เป็ น, นอาจจะร่มรวยไม่นานเท่าไหร่ไม่ยากทรับภายในอริยทรัพย์ภายในนะห้ก็สมบูรณ์ที่สุดเลยสอทรัพยพิธีเราทำวัดสวดมนต์เพื่อการนี้ปฏิบัติธรรมที่เร า, าอายุออกจากบ้านจากเดือนมาเพื่อการนี้โดยตรงเก็บกรรมเอาให้ได้ มันไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่มีการไ ม, ม่เวเวลาเป็นเวลาที่มันโหมะที่สุดชอบที่สุดอยู่โดยชอบด้ดยทุกวินาทีชีวิตเหล่านี้นะเราไม่มีหลักก็อยู่โดยชอบไม่ได้หรอกแม้จะอยู่กับพระเจ้าก็ยังไม่รู้อะไรหรอกหลักคือกรรมฐานเนี่ย เห็นไหมทีทุกท่คนห่อหปีต้องหมดทุกอย่างไม่มีใครสเสมอเหมือนได้ขนร่วมขนหล่นหมดตอนลมหายใจไม่จินข้าวมาจินน้ำนอนเชี่ย น, นอนหนอมลาจารย์ไรดีๆต้อหมดจนหม้อห ไปมาทำคู่เชีนเข้าเกียกร์เฉีนออกบริเสธตรงนี้เด้พวกเราแนละ้ววนเพนเดินหกก็องได้ทำคู่เชีนเข้ารู้สึกเกียร์ฉนออกรู้สึกเนี่ยเราทำอยู่นี้ครเป็นคนคิดมาแต่ไม่ไมคอยคิดเอาทำหลักนี้มาทมกัน เราจะรังเขียนหรือเนี่ยผู้เชียงเข้ายศหรอมันทุกข์กิริยาหรือมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์กิริยาปฏิบัติลําบากหรือไม่ใช่ลําบากเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆพลังงานกล้มเนื้อหัวใจไหล่ต้นคอจะดีต้นคอไหล่จะดีหัวใจก็จะดีมันมีพลังงาน เมื่อแใส่ใจความรู้สึกตัวเข้าไปนะมันหลงลูกเนี่ยตงเข้าไปเลยตรงตรงเชื่อลูกถูกกับลูกคือความหลงของมโกรธความทุกข์เป็ น, ปนอกุศลเป็นลา ก, ลากงูของคมชั่วทั้งหลายมันก็ถอนลากเหมือนเชื่อลูกเข้าไป ถูกลูกเหมือนยาไปถูกลูกมาล้มลตาย่เพื่ออะไรก็เอาตัวเองเนี่กไปเจ น, นก้อนเนื้อในตับก้อนเนื้อในโคมันเบียดหลอดลมจนหายใจไม่ได้ต้องอาศยัยท่อสอดลงไปถึงปวดเรามารู้สึกหายใจะมูกก็ไม่ท่อปากก็ไม่ท่อ มันเป็นเรื่องถูกต้องก็ oh. จำแม้เอาท้อสอดลงไปถึงปอดลงไม่มีทางออกมันต้องอากาศดินน้ำลมฝายในชีวิตเราเนี่ยไม่มีอากาศเข้าไปในปอดมันก็หัวใจก็เต้นไม่ได้ตายไป อ, อบอหัวเอา กีโมขีดเข้าไปตัวใหม่ให้ก้อนเนื้อในคอมันลดลงเพื่อให้หายใจได้ไม่พระเจ้าปิเศษวิธีการรักษาอื่นได้นอกจากให้จีมโมให้หลวงพ่อโดยดวดให้จีมโมลงไปสารลงไปถอดท่อออกจากปากหายใจได้มันถูกเชียโรค มันหลงรู้จึกตัวหลงเป็นเช่โลกรู้จึกตัวเป็นโอสถสัพพตตวพุทธรัตตังโอสัตถังอุตมังบาลังโอสถธรรมโอสถพุทธรัตตนังธรรมลัตตนังสังฆลัตตาังสังฆลัตตังปฏิบัติธรรมตามธรรมตามธรรมสังธรรมตามพระธรรมพุทธลู่เตน หลงรู้ตื่นตื่นรู้ในความหลงไม่ได้ตื่นผีหลอกไม่ได้ตื่นอะไรนะตื่นในความหลงซึ่งจยจนะอ้อนกูดดีอยจะได้ตื่นวนะันนี้เมื่อตื่นความหลงเสร็จแล้วอดตื่นก็เป็นเรื่องง่ายเล น, ะนี่ต้นเหตุของกบบรรมฐานไม่ใช่หลังเพื่อเทียนร้อยปีนะ <laughs> เลยก็หลวงพ่อเถียนนี่แหละเป็นรุ่มสมัยกับพวกเรายังเห็นยังได้พูดได้คุยกันยังได้ทำตามยังได้ยินเสียงบอกตอนน้องอยู่ในจิตเสียงหลวงเท่าเดินแทบๆหลวงพ่อเทียนเสียงหลวงเท่าเราก็จำได้นะไม่ ย, ยังไม่เห็นหนะ้า เราอยู่ในห้องแข่งลองเต่าแทบแบอ่าเราก็นั่งสร้างจอหลวงพ่อเทียนถามถาอะไรอยู่หรอทำความเพียรอยู่ถ้าถ้านอนก็เนาะทำความเพียรอยู่ถ้าปกติก็ไม่กล้าไม่กล้าถามดึวว่านอนยังไม่นอนเห็นข้างนอกไหม ไม่เห็นหลงพอ่อต่เมื่อไจะเห็นข้างนอกต้องเปิดประตูออกเปิดออกมาดูซิ <laughs> เอาเปิดประตูออกวางเปิดประตูออกเห็นข้างนอกไห ม, ไม <laughs> เห็นเห็นข้างในไหมเห็นปฏิบัติทรรมต้องทำอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> <laughs> ให้เห็นข้างนอกเห็นข้างในเลยเราก็ไม่รู้เรื่อง นอกกมองไปก็เห็นตน้นไม้ภูเขาไปข้างในก็เห็นที่นอนเห็นกติให้เหม็นข้นอกข้างในยังยังได้ยินเสียงพูดแบบนี้ยังเห็นยังโบกกันอยู่แนวบางทีเสียงน้ำข้างตกงานนี้เหมือนเลยน้ำข้างมากนะมองไม่เห็นกระดกรมวัดเนี่ยกระดอนเพื่อ น, นี่เปียกหมดเลยนะ เอแปลกเหมือนกันนะปีสองปีมาเนสามปีมาเน่พื้นสลาไม่เห็นน้ำข้างโยดลงมาเลยโลกมันร้อนจริงๆนะไม่ชีวิตนะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะนะก่อนเปียกนกะกติเราเดี๋ยวนี้ไม่เห็นสักน้อยเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะเร็วๆ เ, เขา้าปฏิบัติธรรมเขาเดี๋ยวมาจงหมดโอกาสต้องรอจะไ ป, ประมาณ ลูกมันจะหมดหรอกนะฮะฮะจะทำงาอยังไงไปลักไปเกียดชั Wha ้นใครไว้ดูแลตัวเองเนี่ยนะฉันเปียนไปจริงๆกียโลกนะดูเอาเลยน้ำข้างตกลงปฟกใส่ไปน้ำข้างตกลงใส่ใบไม้ใบไม้มันหยดลงมาเ็ษไปตองข้างล่างเสียงดังป๊ฟก เอาเสียงน้ำข้างเป็นนาฬิกาไม่มีนาฬิกาแบบนี้นะสมัยก่อนมูนอ้อน้ำข้างเป็นเวลาแสดงว่าตีสามตีสี่ลุกแล้วเสียงน้ำข้างหลนลงใส่ใบตองมันหนาวจัดช่วงนี้น้ำข้าก็หยดปกครกปกบางทีก็เสียงเพื่อนอยู่ใกล้ๆ ก, กันเช่นกติไม่ชีผู้หญิงเนี่ย ไม่เปียวเยเนี่อยก็อยู่เสีย ง, เ, ยงเดินยงงังคงแป๊บแป๊บแป๊บแสงเทียนท่นองสลัวสลวผ่านน้ำค้างเหมือนเหี่งห้อยแสงเทียนไฟฟ้าไม่มีนะตะเกียงน้ำมันกา๊าดน้ำมันโซลา่าน้ำมันก๊าซก็ไม่ใช่มันแพงซื้อโซล่ามาใช้กันตําบ้านในจมูกเป็นรูหมดเลยน้ำมันโซลา่า มีไฟฟ้าใช่ไหมต้องเซ็ตจมูกเลยหายใจเข้ากับควานตะเกียงทังมันโซล่เม้นกันทั้งสารเลยเวลาทาวัดเอเอาเวลานการตื่น น, น้ำข้างเอาเลยพูดออกนอกไปนี่หลมพเทียนมีสมัยนั้นเรายังไม่ลืมยังประ ท, ทับใจของเราอยู่ไม่มีวันลืม ชีวิตของเราได้ได้เป็นอย่างนี้ได้เกณฑ์มาเพราะหลวงพ่อเทียนยังพบเห็นสมัยอยู่จึงเออแบบนี้ก็ถ้าถูกกับพระพิ้าสอนผู้เขนเข้าเจริญออกวันหลงลูกขึ้นมาเันวัตถุช่วยได้เวลานี้ไปยาคิดถึงลูกถึงแียนะ ทิ้งลูกมาบวชทิ้งเมีย ม, มาบวชเออมาิดไปกลับมากลับมาเอามันิดไปเท่าไหร่กลับมาลอยข้างถนนกลับมาลอยข้างปนงปนงานของเราเราคิดไปถึงงานกองเกลับมาลูาการที่มันคิดจะไปทําความคิดกลับมาได้ถูกนิมิตอาศัยได้เกินจงกรมบ้างมันที่ก็หายใจบ้าง หายตั้งวางมือลงยืดตัวใหม่บัวนี่ต้องทั้งท่าใหม่นะมันทําน่าจะโก่งลงโก่งลงมันหนักนะก็เหยียดขึ้นใหม่วางไปหน้าใหม่วางใจใหม่ใช่ไหมเคยวางไปหน้าไหมวางไปหน้าต้องวางต้นขอกันวางไปหน้าใหม่หายใจวางใจใหม่เอามเอามาอก็บเอาม่อยู่เลย ชีว kind of so er ิตใหม่ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เล่อยนะไม่ใช่นล้วไปไปลงลงหลงก็ยังยอมหลงอยู่นะไม่ตื่นเต้นแต่ถืว่าตั้งฉากใหม่ดอกเหมือนาขกงเขาจะต้องเอาเขา้ามันง่วงนอนเอาจังหวะล้องเพื่นสิบสี่จังหวะไม่เอาเลยถ้ามันง่วงนอนเนี่ยสมนุนามันก็หลง โอ้ก็มาถานนียดีจริงๆไม่สอนอย่างอื่นไปจะนั่งสงบ8ปชั่วโมงอออไปไม่บอกเราจะรู้ตื่นรู้อย่างออกนิมิตโอกายตลอดมาฝึกให้ตื่นรู้ว่ามันรู้รู้หรอไม่ต้องอาศัยมานเลยนอนตายลงไปบานก็ไม่ได้มาสร้างจังหวะอืมไม่เป็นอะไร เหตุที่เป็นอะไรมันก็มาทําอย่างนี้ไปตั้งต้นจากไหนไปอย่างเนี้ย น, น, นะให้ศรัทธาการกระทํารศรัทธารู้มันหลงศรัทธาต่อความรู้มันโกรธศรัทธาต่อความรู้ใช่ได้แต่พึพ่งแต่เผยความรูจ้จุดโตยิ่งใช่ยิ่งมากยิ่งใชยิ่งเหลีงขมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเลย เป็นยานเป็นชานจังรู้ง่ายไปเลยบง่ายที่จะไม่หลงแต่ก็ง่ายที่จะหลงแต่ความหลงในแจ่งเท่าหัเชี่ยมอะยรเอาเชความหลงโกรธเอาสิทุกข์เอาเิีรักเอาเชพอใจเอาเลยเบรอกซะเลยนะนะเพรามันเก่งมันร่อนวิชานะนข่าวมานร่อนวิชามามากนะ ไม่มีเลยในโลกนี้เรียบราบหมดแล้วนะนี่กรรมฐานไม่มีการทําอื่นที่นี่ถ้าใครมาทําอื่นก็ผิดพลาดนะที่นี่ต้องากรรมฐานกันให้ดูแลการเป็นพี่เป็นนอกก้องการช่วยกั น, นมี่เมตาาตากระทำเมตตาเปกขามองอะไรทุกอย่างให้มันราบลื่นธรรมมาเกิดง่ายถ้าเลือกที่ลักมาที่ชัง ต่ตยากเหงื่แห้งเงิงนปลูกข้าว ใ, ใส่ดินที่แห้งแล้แงยอมมางอกางามนะให้มีน้ำใจมีอร่อยเป็นชีวิตรอมในชีวิตเราให้ดีๆมองอะไรทุกอย่างในความเป็นมีตรเป็นเพื่อนในแงน่ดีทำไมส่วนเร็วบ้างช่างหม้เขา่จอเอาจูเลกโอลส่วนดีเขาไม่อยู่ เป็นประโยชน์โลกบางอย่าหน่าดูส่วนที่ชั่วจะไปลูกของเขาเลยหาคนมีดีด้วยชื่นเดียวจะมัวเที่ยวคนหานเพื่อนเลยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเป่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอาศัยอาจารย์พุทธาธิพูดไป